179กับปิยะภูมิอนุชานานาว่าด้วยการทรงอนุญาตกับปิยะภูมิเรื่องกรุงเวสาลีหาอาหารได้ง่าย295สมัยนั้นกรุงเวสาลีมีพิษาหารมากมีข้าวกล้างอกงาม บินทบาทหาได้ง่ายพระอริยะบินทบาทยังชีพได้ง่ายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้มีพระดำริดังนี้ว่าอาหารที่เราอนุญาตแก่ภิกษุเมื่อคราวอัตคัดอาหารมีข้าวกล้าไม่งอกงามบินทบาทหาได้ลำบาก คืออาหารที่เก็บไว้ภายในที่หุงต้มภายในที่หุงต้มเองที่จับต้องแล้วรับประเครนใหม่ที่นำมาจากที่นิมนต์ที่รับประเค้นก่อนเวลาพัตตาหารที่เกิดในปา่าที่เกิดในกอบัวทุกวันนี้ภิกษุยังฉันพัตนาหารเหล่านั้นอยู่หรือหนอ ครั้นเวลาเย็นจึงเสด็จออกจากที่หลีกร้นรัดเรียกท่านพระอานนท์มาถามว่าอานนท์อาหารที่เราอนุญาตแก่ภิกษุเมื่อคราวอัตคัตอาหารมีข้าวกล้าน้อยบินทัาบาทได้ลำบากคืออาหารที่เก็บไว้ภายในที่หุงต้มภายในที่หุงต้มเอง ที่จับต้องแล้วรับประเค้นใหม่ที่นำมาจากที่นิมนต์ที่รับประเค้นก่อนเวลาอาหารที่เกิดในป่าและที่เกิดในกอบัวทุกวันนี้ภิกษุยังฉันอาหารเหล่านั้นอยู่หรือหนอ